พอคณะกรรมการเก็บอธิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชนมลวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าละทานที่เสร็จเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชาได้คนเล็กคะน้อยจนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ําและเช็ดถูให้เกลี้ยงซื้ออีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้น มองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นเราขับจะมีใครมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีกคือก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐานบ้านเรือนของตนของต น, งตนโดยมากพากันไปนกราบลาท่านอาจารย์ที่เมนซึ่งเป็นความมั่นว่า ท่านย้ายจากศาลาไปอยู่เมนแล้วขณะก้มกราบท่านถึงววละที่สามจบลงต่างพากันนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งเป็นลักษณะรำพึงรำพันด้วยความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้งแลแสดงอาการไว้อาลัยด้วยหน้าตาเสกสะอื่นมากอย่างน่าสงสารคิดถึงใจเราใจท่านที่มีความรู้สึกคิดนึกและกะตัญญูกตเวทีในท่านผู้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้น ก็อดที่จะกลั่นความอาลัยเสียดายไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันพอขณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่มด้วยน้ําตาขณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศกเพราะความวิโยคพัดพรากแห่งสิ่งที่เธอทูลบนหัวใจได้จากไปไม่มีวันกลับคืนเป็นความสับเปลี่ยนเวียนกันไปมาอยู่ที่บริเวณเมนท่านเป็นชั่วโมงชั่วโม กว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะสงบลงจึงทำให้ปรองธรรมสังเวชอย่างติดตาติดใจตลอดมารวงความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลกเรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมาเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานสำคัญประชาชนพระนินจนหนมืนม่นๆที่มาในงานนี้ก็เรื่องหัวใจพาให้มาท่านอาจารย์ที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชน ก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือธรรมทั้งดวงซึ่งใครๆปรารถนากันทั่วโลกจึงเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนผู้รู้จักบุญบาปให้คิดอยากมากราบไหว้บูชาท่านแม้ไม่ได้ส่วนกุศลชนิด ต, ตักตดวงเอาตามใจหวังก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อพบแห่งความเป็นมนุษย์อย่าให้คาศูนย์สิ้นซากไปเสียทีเดียวยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไปแย่งเกิดในกำเนิดสัตว์นรก และสัตว์เลรชานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่มีประมาณเศรษความทุกข์ทรมานในภพนั้นๆตลอดอนันตกาลไม่มีวันหลุดพ้นไปได้ซึ่งเป็นการเกิดมาเหยียบย่ำซ้ํำเติมตัวเองไม่มีชิ้นดีพอเป็นที่ยึดที่อาศัยได้ในภพห น, หนึ่งบ้างเลยที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวังด้วยเหตุนี้เรื่องในสาระโลกจึงรวมลงที่ใจเป็นผู้ควบคุมเครื่องจากน้อยใหญ่ ให้สิ่งทั้งหลายหมุนไปตามวิถีทางเดินของใจที่หนักไปในทางใดถ้าใจหนักไปในทางดีทุกสิ่งที่ทำลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสม่ำเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคตปรากฏแต่ความมีหวังและสมหวังเรื่อยไปไม่ขาดสวนจนตรอกจะออกซอกไหนซอยใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญเสม อ, สมอไปจนถึงแดนแห่งความสงหวัง คือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไปดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญใจยอยู่เวลานี้เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่างสมเกียจว่าท่านปรินิพานก็มีอยู่มากคําว่าปรินิพานนี้จะมีได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวัตโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่ โลกทั้งหลายเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านตายโลกเรียกว่าปริณิพานท่านอาจารย์มั่นก็มีคนถวายเกียรติท่านว่าปริณิพานมากเหมือนกันผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะนำมาคัดค้านจำต้องยอมจำนนและอนโมทนาตามคำที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้ายเพราะเท่าที่เคยได้อยู่และรับโอวาทท่านตลอดมาเป็นเวลานานปีพอสมควร ก็ไม่มีที่ค้านทำท่านใดเลยนอกจากทําให้ซึ่งใจายัางบอกไม่ถูกว่าเป็นอมตะธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นฉะนั้นใจประเภทนี้จึงหาไม่มีในโลกมนุษย์ปุุชนเราร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลยถ้าต้องการเจอก็จําต้องพยายามชําระแก้ไขใจของปุุชนให้กลายเป็นใจอริยชนขั้นสุดยอดขึ้นมาใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรมตลอดเวลาอากาลิโก ที่ว่าใจเป็นใหญ่พอสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นคือใจเป็นผู้ปกครองสมบัติทั้งมวนแต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้เป็นใหญ่และรับผิดชอบถ้าใจพาชั่วโลกแม้จะใหญ่ตัวเพียงไรก็มีทางบไรลัยได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครองตัวปกครองโลกให้เป็นไปโดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควรตัวก็เป็นบุคคลหน้าอยู่ไม่เดือดร้อนรําคาญ โลกก็เป็นโลกหน้าอยู่ไม่เป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปพอถวายเพลิงท่านอาจารย์ม่านผ่านไปแล้วปรากฏว่าพระเนรสายของท่านมีความขรวนกระวายระสัมระสายมากพอดูเพราะปราศจากที่พึ่งที่ยึดทางใจไระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้นเพราะความร้อนรุ่มกลุ่มใจเหมือนพ่อแม่ตายจาก มีแต่ลูกคำพระตัวเล็กๆไม่มีความรู้ความสามารถปกครองทนได้ฉะนั้นองค์คณะปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสันสะเทือนไปมากในระยะที่ผ่านไปใหม่ๆกว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้คณนับว่าพอเห็นทอดแห่งความไม่มีครูอาจารย์มากพอดูฉะนั้นการผ่านภไยของครูบาอาจารย์องค์มีคุณสมบัติสําคัญแต่และองค์มิใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์และผู้ปฏิบัตินั้นๆมาก จนอ่านพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพักหนึ่งถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถทางตัวได้ด้วยครอบปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู่คณะไว้ได้ไม่เดือดร้อนเลหลวไหลในการต่อไปกาศศรสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ว่าทางครอบครวัวสังคมบริษัทห้างร้านวงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆและคณะสงฆ์ตลอดวงพระปฏิบัติทุกๆแขนงย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตามๆกัน ผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นบรณาภาพผ่านไปเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเงาหงอยและอยากจะพูดว่าล้มละลายไป ต, ไป ต, ไป ต, ตามๆกันมากมาย ทั้งนักบวชและฆราวาสจนไม่อาจประมาณได้เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่โซนมั่นคงได้ถูกทําลายลงส่วนอื่นๆก็พลอยเสียหายไปด้วยฉะนั้นผู้เขียนได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้นจึงทําให้วันวิ ต, กตรกตออนาคตของพระเนในในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความร่มเย็นว่าเป็นทางไหล้มาให้ความเสื่อมเสียได้อย่างง่ายดายทำไมรีบเร่งตักตวงเสียแต่ขณะนี้ที่กําลังมีครูอาจารย์คอยแนะนําสั่งสอนอยู่ เวลาท่านจากไปตัวเราเองแม้ยังมีลมห า, ายใจอยู่แต่ไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็นผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวที่ไม่เป็นท่ามาแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเหลวจริงๆด้วยมรสุมประดังกันเข้าพัดผันดวงใจมรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้วลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งใครลูกหนึ่งพัดมาว่าท่านไปแล้วสบายหายห่วงส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจ แต่ใจเหมือนคนตายแล้วเพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังเวยงกว้างเกาะอะไรไม่ติดเลยลูกหนึ่งพัดมาว่าอะไรอะไรมันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสร็จแล้วลูกหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กับใครพ่อก็จากไปเสร็จแล้วลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวร่มจมของเราเสียแล้วหรือจึงพอจะตั้งไข่พ่อก็มาตายจากกรรมเราหนักเอาเสียจริงๆคราวนี้ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่าโอ้โห เจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอลูกหนึ่งว่าตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวโหลดๆต่อเสียด้วยระหว่างกิเลสกับธรรมกาลังรบกันอย่างเต็มกาลังมีท่านอาจารย์เป็นผู้เมตตาช่วยอุบายการรบอยู่ทุกเวลาต่อไปใครจะมีแก่ใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีกเราไม่เคยมีความถูกขจนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้นี่เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพัดผันหัวใจให้ขาดดินสิ้นความหมาย ยังไม่ตายแต่ทําให้สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ท้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปทําให้เขตดลาบกราบไหว้ไม่อยากให้วงคณะปฏิบัติต้องประสบความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเองได้จึงได้พยายามเตือนหมู่คณะเสมอมากลัวว่าจะนอนหลับทับสิทธิ์ที่ควรจะได้จะถึงจนเกินไปบทเวลาตะวันอัสดงครดแล้ว จึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อหลบซ่อนผ่อนคลายกลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้วไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีกจึงรีบช่วยตักเตือนให้พากันรีบเปลี่ยความเพียรเวลาเดินยังสว่างสวยัยใจยังกำลังเอางานสังขารก็กำลังอำนวยแม้เจ้าตัวประสงค์ความร่ำรวยศิลธรรมตลอดมรรคนิพานก็ยังพอทาได้ไม่เป็นคนทุกไรเขินใจท้งที่สมบัติมีอยู่เต็มโลกตลอดมา อธิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุเมื่อต่างท่านที่ได้รับแจกอธิท่านอา จ, จารย์ไปแล้วต่างก็เชิญไปไว้ในสถานที่ควรของตนของตนเพื่อสักการบูชาแทนองค์ท่านหลังจากนั้นเรื่องก็พ่อย เ, เงียบหายไปเพราะต่างคนต่างพรากจากการในคราวเป็นไปสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนของตนจนการล่วงไปแล้วสี่ปีคุณวันคมนามนูลเจ้าของร้านสรีผลพาณิชย์และโรงแรมสุิผลจังหวัดนครราชสีมา ไปถวายผ้าป่าจังหวัดสุขุมวิทได้รับแจกอธิส่วนบนของท่านอาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากเจ้าอาวาสวัุถาวาสซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพกลับมาถึงบ้านได้เชิญอธิชิ้นนั้นรวมลงในพระอบอันเดียวกันกับที่บรรจุอธิท่านอาจารย์อยู่แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพท่านพอเปิดพระอบออกเท่านั้นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้นในพระอบคืออธิชุดแรกที่ได้รับแจกไปจากการศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมด เจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนตัวแทบลอยเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงให้คนรีบไปดูอธีส่วนที่เก็บไว้โรงแรมสุสทธิผลอีกที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุช่นกันอีกรวมทั้งสองแห่งจึงเป็นพระธาตุสามอสี่สิบสี่องค์ยังเหลือติดพระอบอยู่บ้างเป็นพงผงเล็กน้อยต่อมาไม่นานนักจำนวนผงนั้นก็ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจนหนดอีกจึงรวมเป็นพระธาตุจากอาธิของท่านพระอาจารย์มั่นสาม้อยสี่สิสี่องค์ นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏความอัศจรรย์จากอัธิกลายเป็นพระธาตุจากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกคนทุกแห่งผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอพระธาตุขับคุณวันไปสักการบูชากันถึงนั่นคุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัยใจบุญอยู่แล้วจึงเห็นใจท่านที่มาขอและแจกกันไปคนะเล็กน้อยคือคนละหนึ่งองค์บ้านสองสาองค์บ้านผู้เขียนคุณวันก็ได้กรุณาให้ไปสองครั้งครั้งแรก5องค์ ครั้งที่สองสององค์รวมเป็นเจองค์ด้วยกันพอได้มาแล้วก็โฆษณาใหญ่ว่าตัวใดของดีมาแต่ของดีมาปากไม่เป็นสุขเป็นสุขเฉพาะใจคือดีใจที่ได้อาิีจากคุณวันวะมาสุดท้ายก็มาเสียเปรียบต้องขออภัยเรียนอย่างตรงไปตรงมาผู้หญิงเรียบวุดไปเลยแต่ชอบคนที่ไม่เสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบจากนั้นปากก็เป็นสุขไม่มีอะไรโฆษณาอีก คือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็ขอดูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็หยิบให้ดูหยิบให้ดูจนหมดทุกองค์พอดูเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลยคนนี้ก็ขอเอาเลยพร้อมกับห่อกันมุกนิบแล้วทีนี้ใครจะกล้าขอคืนละ่ะถ้ามายากเสียเปรียบสองซ้อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่ไม่ได้มีพระธาตุท่านอาจารย์มั่นติดตัวมาจนบัดนี้ทราบภายหลังว่า คุณวันเองก็แบ่งให้ท่านที่มาขอภัยสักการบูชาแทบไม่มีเหลือแล้วเลยไม่กล้าไปรบกวนอีกเท่าที่ทราบอธิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวันนักขอน่าจะสีมาเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุเรื่อยไปไม่ว่าที่ไหนใครบูชาวไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเป็นลําดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆจะเป็นกันอย่างมุกนิบซุบซิบเฉพาะโครเรือนไม่กล้าบอกให้ใครทราบเกรงจะถูกขอ เราเป็นของหายากและคุณค่าสูงไม่มีประมาณอาจทูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสยัยภาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไว้บูชากรุณาดูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วยังไม่มีวาสนารักษาท่านไว้ได้ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลยพระธาตุท่านอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและศักดร์ส์อยู่หลายอย่างคือพระธาตุสององค์เจ้าของอธิษฐานขอให้เป็นสามองค์เพื่อให้ครบรัตนะคือพุทธธรรมสง่ง ก็กลายเป็นสามองค์ได้จริงๆผู้มีอยู่สององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็นแต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มีเจ้าของเสียใจมากมาเล่าให้ผู้เขียนฟังและขอคําชี้แจงผู้เขียนได้อธิบายให้ทราบบ้างว่าพระธาท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นสามองค์ก็ดีกลายเป็นองค์เดียวก็ดีหรือยังไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดีทางนี้ก็คืออธิธาตที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึงไม่ควรเสียใจ การที่พระธาตุสององค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้วเราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีกแม้ผมท่านที่โปร่งออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่เป็นดังนี้เข้าใจว่าอัฐิหรือผมท่านที่เก็บไว้นา น, านไปอาจจะกลายเป็นพระธาตุไป ต, ตามๆกันดังอัฐิท่านที่ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุมาเป็นลําดับนี่แหลแต่ทั้งอัฐิธาตุท่าน ทั้งพระธาตุท่านแม้จะถูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใดก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลยมีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้พระต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนแต่ถ้าถูกถามรายที่อธิธาตอธิท่านกลายเป็นพระธาตุเจ้าของก็จะบอกอย่างอาถานว่าอธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสัยถ้าถามต่อไปว่า คุณมีพระทาตหรืออธิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่าจะ แ, แสดงอาการยิ้มหรือตอบเพียงว่าแม้มีก็ น, นิดเดียวแจกให้ใครไม่ได้อันเป็นเชิงกันท่าไว้ในตัวครัวผู้อื่นจะขอจึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ว่าอาธิหรือพระทาตท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างแม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรงจึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักทรงกันท่านมาก ฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สําคัญองค์หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และลุงลับผ่านไปแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษฐ์ทั้งพระและฆราวาสเป็นอย่างดีตลอดมาเราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟังขณะจิตคิดจะทำความชั่วบ้างขณะจิตกําลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้างขณะเกิดความเครียดแค้นอย่างสุดขีด จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้างพอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้นราวกับน้ำดับไฟสงบลงทันทีทันใดและเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้นอยากก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้สิ่งที่คิดว่าจะทำนั้นเลยหายราวกับปิดทิง้งนี่เป็นฝ่ายครวาตเล่าให้ฟังแม้ที่ไม่ได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มาก และสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกันด้วยอำนาจความระลึกถึงท่านด้วยความครบเรื่อมใส่ส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตนพร้อมหน้าความเชื่อความเรื่อมใส่ในท่านก็เข้าใจว่ามีจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจํานวนไม่ถ้วนเริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเนรก็ไม่ท่ากว่าสี่สิบปี ในระหว่างหนึ่งปีถึงสี่สิปีนั้นมีพระเนนและคารวาสมารับการบอบรมกับท่านมากเพียงไรเฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติมีจนวนมากมายท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเนนให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กาเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมา ก, ก่อนมิฉนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลยด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มันคงต่อเหตุผลอัธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆจึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดๆ ใ, ในโลกที่พวกเราเคยทำและเคยบ่นกันว่ายากๆเพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้ผ่าดันเนินเท่านั้นหลักใหญ่ของงานทุกขแขนและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดผูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการและพาดำเนินถ้าไม่ใช่ใจถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดำเนินใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไรจึงจะประคองตัวและงานนั้นๆไปด้วยความราบเรื่องชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ทนทาทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้วจะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจระลึกไว้ไม่ได้ลืมทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้วอดระลึกถึงความกตัญยูกระตะเวทีในท่านไม่ได้อย่างแน่นอนแม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคนอ่านพูดให้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสําคัญของโลกด้วย พอใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอาจด้ทำด้วยดีความเสียหายไม่ค่อยมีหรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่าความเสียหายไม่มีทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจโลกที่ได้รับการพัฒนาใจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริงประชาชนมีความสงบสุขมิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจร้อนเหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียนทำลายกันเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันเร็วยิ่งกว่าเจ้าบอล น, นี่ขึ้นโลกประจันท์ซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรกถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหนก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปราะได้สิ่งสโปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจความประพฤติการกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลกกวางธรรมกวางหูขวางตากวางใจไปหมด ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาฉะนั้นท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้นเมื่อพัฒนาใจาดีแล้วการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติการกระทําตลอดทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจโลกย่อมมีความสงบสุขสขงับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลกปกครองตน โดยทางเหตุผลอธรรมความฉลาดของมนุษย์ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดยถ่ายเดียวได้แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์บนฟ้าได้ก็ยังไม่ถือเป็นจุดสําคัญความฉลาดถ้ายังขืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่อย่างไม่สํานึกตัวว่าเป็นความผิดความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนและการฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขาซึ่งอยู่ในภูมินั้นๆความฉลาดที่รับรองการตามหลักเหตุผลที่ยังทนและโลกให้เจริญนั้นไม่จําต้องออกไปประกาศนัญบัตรให้โฉก็ได้แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทําอันเป็นไปเพื่อตนและโลกแต่และความสุขความเย็นใจด้วยนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ออกมาจากความฉลาดอย่างแท้จริง และเป็นประกาศนิยบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้วไม่จําต้องหาใบาประกาศมาบาังหน้าและอวดโลกเพื่ออํานาจในทางผิดอย่างลึกลับซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับไม่ได้เป็นของลับๆไปด้วยแต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผยดังที่เห็นเห็นกันอยู่อย่างเต็มตารู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากไม่พูดกันเท่านั้นทั้งนี้หากไม่ใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้วใครจะเชื่อกันได้หลงคอว่า การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วย ส, สนิมคือกิเลสความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัวทำให้โลกเจริญประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทำดังที่ว่าเมื่อนำมาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลย การงานและผลของงานต่างการราวฟากับดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำเหาะข้ามทะเลต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดเรื่องลื อ, ลอแต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่างๆเพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทำมิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆจะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมราของโลกอนิจังแต่ก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควรไม่แผดเผาเร่าร้อนจนทำให้คิดอยากย้ายพบย้ายชาติย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆปัญหาเรื่องอธิท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสากลายเป็นพระธาตุ ปรากฏว่าจะากระจายไปในที่ต่างๆจนทําให้เกิดความสงสัยกันข้อมีในระยะอาทิตท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆบางท่านมาถามว่าอาทิตของพระอาหารหันต์ก็ดีของสามัญชนก็ดีต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกันส่วนอาทิของสามัญชนทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้เฉพาะอาทิของพระอาหารหันต์ทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายให้ฟังเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่าเรื่องอธินั้นปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญคำว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มากคือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆเมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใดและจิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไปเช่นจิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์อาจมีอำ น, นาจซักฟอกธาตุขันให้เป็นาธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนอธิท่านจึงกลายเป็นพระาธาตุได้แต่อธิของสามัญชนทั่วไปแม้จะเป็นาธาตุดิน Lynn เช่นเดียวกันแต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มบริกิเลตและไม่มีอำ น, นาจซักฟอกธาตุขันให้เป็นของบริสุทธิ์ได้อธิจึงกลายเป็นาธาตุขันที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้ จำต้องเป็นสามัญทาตไปตามจิตของคนมีเกลเอียดอยู่โดยดีหรือจะเรียกไปตามภพวงของจิตพวงของธาตว่าอริยะจิตอริยะเหตุและสามัญจิตสามัญธาต์ก็คงไม่ผิดเพราะคุณสมบัติของจิตของธาต์ระหว่างพระอาหารหันต์กับสามัญชนต่างกันอาทิจําต้องต่างกันอยู่โดยดีผู้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานั้นทุกองค์เวลานิผลานแล้วอาทิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ ข้อ น, นี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆองค์เฉพาะจิตท่านที่สําเร็จพระรหัตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สําเร็จส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอาทิตย์เวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระาธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างการเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกันองค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาสงขันอยู่นาน เวลานิพพานแล้วอทิย่อมมีทางกลายเป็นพระาธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันเช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นและมีการเข้าสมาบัติประจำอิรยาบทซึ่งเป็นการซักฟอกาธาตุขันให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลาดับด้วยในขณะเดียวกันเวลานิพพานแล้วอทิจึง ก, กลายเป็นพระาธาตุ ดังที่เห็นเห็นกันอยู่ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิได้สงขันอยู่นานเท่าที่ควรแล้วนิพพานไรเสียนั้นอาีิท่านจะกลายเป็นพระาธาตได้เหมือนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่เป็นความไม่สนิทใจเพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับาธาตุขันนานและมิได้ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมาท่านที่เป็นทันธาพิญญาคือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไป เช่นบำเพ็ญไปถึงขั้นอนาคามีผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตภูมิได้คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอารหัตตมะ ก, กับอรหัตผลจนกว่าจิตจะชันนิชันนานและมีกําลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรคเพื่ออรหัตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟ อ, อกาธาตุขันใน้ตัวด้วยเวลานี้ผ่านแล้วอาทิอาจกลายเป็นพระาธาตุได้ ส่วนท่านที่เป็นขิปนาวพิญญาคือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้วถ้าเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอธีจะกลายเป็นพระาธาตุได้หรือประการใดเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาส่งและสักฟองาธาตุขันอยู่นานเท่าที่ควรส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่วๆไปนั้นไม่อยู่ในข่ายที่อธีจะควรแปลเป็นพระาธาตุได้ด้วยกรณีใดๆจึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้วเฉพาะ อ, องค์ท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากอธิคลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วพระธาตุดังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่างหลังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าผู้มีพระธาตุสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ก็เป็นสามองค์ได้ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ซึ่งเมืน่าจะเป็นไปได้เลยแต่ได้เป็นไปเสร็จแล้วผู้ใดมาสององค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้พอตกตอนเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ได้ รายนี้เป็นความแปลกเพราะชั่วระยะเวลาเช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลือต่างๆแทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัสุถาวาจนตลอดงานพระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมากเมื่อคุณวันและขอราชสีมาถวายพระธาตุท่านอาจารย์มั่นมา ท่านจึงมอบให้ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้าพอได้รับพระทาตจากท่านแล้วขณะนั้นไม่มีกล่องหรือผ้าอบจะใส่มีแต่ขวดเจนัดปลาติดกระเป๋าเสื้อจึงได้เอาใส่พระทาตไฟพลางขณะเชิญพระทาตเข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดีขวดก็ปิดฝาด้วยดีกลัวพระทาตจะสูญหายไปเสียน่าแต่ขณะที่ได้พระทาตจากมือพระผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่าใจมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้น ลกแถวที่นั้นก็ไปทํางานเลยทีเดียวและเกิดความอิ่มเอิบตื่นตันใจตลอดวันประหนึ่งจิตไม่ได้คิดเหินห่างจากพระทาที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมาในชีวิตไม่เคยมีคนในบ้านต่างก็มารุมดูจากนั้นก็เอาพรอบมัใส่พระธาทัานทีพอเปิดฟ้าขวดออกเชิญพระทาท่านอาจารย์มั่นออกมา โดยไม่คาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่านคือพอเชิญพระธาตุออกจากขวดก็ได้เห็นกลายเป็นสามองค์ในขณะนั้นยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์นในองค์ท่านและเกิดความปิติในพระธาตุดิ่งขึ้นแทบจะเหาะลอยไปทั้งตัวพร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นองค์พระอระหันต์ให้พัญญาและลูกๆฟังในขณะนั้นอย่างไม่คิดว่าใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเลยพัญญาและลูกๆยังไม่แน่ใจ เรีว่าที่รับพระทาตมาจะจําจํานวนผิดไปฝ่ายสามีก็เถียงใหญ่แบบไม่ยอมฟังเสียงใครเลยว่าพระาธาตสององค์ที่ทัญนคุณให้มาเมื่อเช้ า, ชานี้จําไม่ผิดแน่เพราะขณะรับจากท่านก็รับด้วยความสนใจและลืมสายยังบอกไม่ถูกแม้อยู่ที่ทํางานก็ไม่ได้ลืมพระาธาตลอดวันว่าได้พระาธาตมาสอ ง, องค์ได้พระาธามาสอ ง, องค์จนกลายเป็นคำบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้วจะให้หลงลืมได้อย่างไร ถาไรคลายยังไม่ลงใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเรียนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่เห็นจริงกันพรุ่งนี้เองฝ่ายคนในบ้านไม่ยอมอยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่านเมตตาให้ประทาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ท่านตอบว่าให้สององค์ทําไมถามอย่างนั้นพระทธาตุหายหรือ ข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื่นตันใจว่าเพระาะธาตุไม่ได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรวมเป็นสามองค์ด้วยกันที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิมพระธาตุเข้าในพระอ์แทนที่จะมีสององค์ตามที่ขอใจแต่กลับมีสามองค์เลยทำให้กระผมเกิดความดีใจจนตัวสัน่นวิบบอกกับลูกเมียจะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลยเกรงว่าผมอาจจำผิดก็ได้ เลยเขี้ยวเข็นให้กระผมเรีนถามท่านอีกครั้งจึงได้มาตามคำาขาแล้วก็เป็นความจริงจึงทําให้กระผมดีใจเสียใหญ่ว่าอย่างไรเชื่อหรื อ, อยังทีนี้นี่เป็นคําพูดกับพัญญาที่มาด้วยพัญญายิ้มและพูดว่าก็เกรงจะจําผิดและหาเรื่องไปโกหกกันเล่นก็ต้องพูดอย่างนั้นเป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไร ท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและเล่าตามความจริงให้ปัญญาฟังว่าอาตมาได้คุณคนนี้สององค์จริงเมื่อเช้านี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมากตลอดพระสงค์เลื่อยมาแต่วันท่านมรณภาพจนเสร็จงานอาตมายังจําไม่ลืมเมื่อได้พระทาตธนอาจารย์มั่นมาจากคุณวันคมนา ม, มนูลร้านสริดผลพาณิชย์ะขอนราชสีมาก็เลยเสวนไว้เพื่อนํามามอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบัน เพื่อจะพบอทิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกไว้ยังไม่เห็นตัวจริงประจกักษ์ตาบัดนี้ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้วกรุณารักษาไว้ในที่สมควรเดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลําบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้เป็นไหนๆจะว่าอธตมาไม่บอกเพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็นของอัศจรรย์มากยิ่งท่านมาได้ง่ายๆอย่างนี้ หมดเวลาท่านไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่ายกรุณาเชิญเชิญท่านไว้ที่สูงเคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็นท่านอาจบรรดาลความเป็นสริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้อัตมาเชื่อท่านร้อยเปอร์เซนว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครได้ง่ายกลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยากแต่เชื่อในสิ่งไม่ดีได้ง่ายจึงหาคนดีได้ยากหาคนชั่วยได้ง่าย แม้ในตัวเราเองถ้าสังเกตดูก็พอทราบได้ว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจำนิสัยพอท่านแนะนำจบลงท่านข้าราชการกับพัญญาก็กลับนามาสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหันษาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองคนนี่แหละพระธาตุท่าทนพระจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัจฉรย์ดังที่นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัจฉรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ดังที่หลกใช้กันนั้นรู้สึกจะพิสูจน์ได้ยากอาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรื่องทนองนี้เพราะสุดวิสัยสําหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านผู้บริสุทธิ์กลับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าอาธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้อย่างประจักษ์ตาส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลสแม้มีจำนวน ล, ล้านคน ไม่มีรายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่านจึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ยิ่งใจที่บริสุทธิ์ได้แล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัจฉ ร, รย์จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลยเป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพ บ, บูชาจริงๆจึ ง, จ ง, จงต้องยอมบูชากันตามปกติโลกผู้มีความยิ่งในชาติของตนประจำนิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆ แต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จำต้องยอมเพราะอยากเป็นคนดีเมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกเจงงก็เกินไปไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบันบรรดาพระเนนเถนชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆและได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้วเท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายได้จะดือะด้อด้านหานสู้ท่านด้วยทิฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเขาแลกได้โดยไม่อาโดยไม่อาไัยเสียดายเลยถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่บทระบาทนั้นมีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เช่นเดียวกับผู้บวกลบคูณหารโดยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเองเช่นหนึ่งบวกกับหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสองต้องเป็นสี่เป็นต้นจะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหารเมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครครัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้วแม้มีจํานวนมากคนเพียงไรก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงคุรบประปราๆฉะนั้นกฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงชายหรือชาติชันน้นวนระใดๆทั้งสิน้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้หลักธรรมที่พระ เ, เจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอดทั่วถึงแล้วย่อมสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิน้นท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมนิสัยว่าสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจ จึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำห น, นิหรือชมเชยใดๆเลยภูมิธรรมภายในน้าแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจำก้วยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวทิดาอินพรหม พูดผีชนิดต่างๆท่านก่สดแสดงอย่างองอาจกล้าหาญส่วนแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยปรเป็ น, นแนวเดียวกับท่านย่อมจะเรับค ว, วามเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างกวางและแม่นยำมากขึ้นทําให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีลูกศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านใดบ้าง ในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกแม้ไม่แตกฉานเหมือนท่านจะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณาเช่นบางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลายพวกจนดึกไม่ได้พักผรรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายบ้างแขกเทพพวกหนึ่งพากันมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกๆท่านจำต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้วเพราะรับแขกเทพมาสองสามพวกแล้วจะขอพักผ่อนขอเชิญพากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้น พอท่านบอกแล้วพวกเทพขอพากันไปหาพระองค์นั้นและบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมาท่านก็แสดงทำให้ฟังพอสมควรแล้วพากันกลับพอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผมโดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านทีนี้ก็ได้พากันไปหาท่านอาจารย์ขอฟังธรรมท่านแต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกขายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อนขอให้พากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้น จึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ข้อที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประพานใดเลยเขามาโกหกหาอุบายฟังเทศกับผมต่างหากกระผมไม่แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ท่านอาจารย์ตอบว่าก็ผมรับแขกตั้งสองสามพวกเหนือเจตาอยู่แล้วพอพวกหลังมาผมก็ได้บอกเขามาหาท่านจริงๆดังที่เขาอ้างนั่นและพวกเทวดาไม่โกหกพระหรอก ไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนปิ้งป้อนหลอกลวงไหวใจไม่ค่อยได้เขาว่าจะมาต้องมาและว่าจะมาเวลาเท่าไรต้องมาเวลาเท่านั้นผมเคยสมาคมกับพวกเทพทั้งเบื้องบนเบือบเบ้องล่างมานานแล้วไม่เคยเห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลยเขามีสัตว์มีสิ่ยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าความสัตว์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆไปทําเคลื่อนในเขาเห็นไม่ได้เขาตําเนื้อามากมายถ้าแกไม่มีเหตุผลความจริงเขาไม่ยอมรับถือเอาเลย ผมเคยถูกเขาตำหนิเอาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกเขาเป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนจิตขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้วเมื่อถูกเขาต่อว่าเราก็บอกตามเหตุผลว่าเราพักจิตไม่ได้ถอนขึ้นมาตามเวลาซึ่งเขาก็ยอมรับบางครั้งผมก็ว่าให้เขาเหมือนกันว่าพระเพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมืน่นๆแสนแส น, แสนทั้งเบื้องบนเบนืบ้องล่าง ตลอดพวกเทวดาซึ่งมาจากที่ต่างๆ ต, ต่างก็มุ่งมาหาแต่พระ อ, องค์เดียวใครจะไปชนะท้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลาเวลาเอาเสียทุกครั้งบางทีสุขภาพไม่ค่อยดีอย่างต้องทนรับแขกซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจบ้างบางทีกําลังเข้าพักในสมาธิอย่างเพลินเลินก็ต้องถอนออกมารับแขกเคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะนิตีเตียนกันถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบาย ไม่ต้องตอนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไรเมื่อถูกเราว่าดังนั้นเขายอมรับสรภาพและขอโทษทันทีถ้าเป็นพวกที่เคยมาและรู้เรื่องของเราดีแล้วแม้จะเคลื่อนคลาดไปบ้างไม่ตรงตามเวลาเขาก็ไม่ถือสาหาโทษกับเราเอาง่ายๆนักนอกจากพวกที่ไม่เคยมาอาจมีอยู่บ้างเพราะเขาถือสัต่าตามนิสัยของพวกเขตทั้งหลายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่าง ตลอดรุก เ, เทวดาเหมือนกันหมดบางครั้งเขาก็โกรธเป็นบาปเหมือนกันที่ได้ทราบว่าเรากําลังเข้าพักในสมาธิต้องถอนออกมาต้อนรับเขาซึ่งพอดีถูกเขาว่าให้เราว่าไม่รักษาสัตว์บางครั้งเราก็ว่าให้เขาหนักบ้างเหมือนกันว่าเรารักษาสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตอย่าว่าแต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลยแต่ที่ไม่ได้ออกมาตามเวลาเพราะความจําเป็นในธรรมซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าการรักษาสัตว์เพื่อเทวดาไปไหนไห น, ไหน เทวดาทั้งหลายในขั้นต่างๆบนสวรรค์และพรหมโลกทุกชั้นแม้จะมีกายทิพย์อันละเอียดกว่ากายอาตมาที่เป็นมนุษย์ก็าตามแต่ธรรมและจิตตลอดความสัตว์ที่อาตมารักษาอยู่เป็นประจำมีความละเอียดสุขผมยิ่งกว่ากายกว่าจิตและกว่าความสัตย์ของเทวดาอินพรหมเป็นร้อยเท่าพันเวีแต่ไม่ใช่ฐานะที่อาตมาจะมาพูดพร่ำๆแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวที่ผู้ขณะนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบและรู้กันเสียบ้างว่า ทำที่อาตมารักษาอยู่มีความสําคัญเพียงไรจะได้ไม่พากันคิดอะไรๆตําหนิออกมาเอ า, อาง่ายๆโดยไม่พิจารณาให้ควาครอบเสียก่อนพอแสดงความจริงที่จําเป็นต่อหน้าที่ของเราให้เขาทราบต่างพากันเห็นโทษกลัวเป็นบาปกันมากมายและพากันขอขมาโทษเราก็บอกว่าเราไม่ได้ถือโทษอะไรกับใครๆทั้งสิน้นไม่ว่าสัตว์มนุษย์เทวดาอินทพรมหมนาคโลกที่มีอยู่ทั่วไตรโลกธาตุ เราถือทำรรที่เต็มไปได้วยความเมตตาสงสารโลกปราศจากความริษยาเบียดเบียนใดๆทั้งมวลอิยญาบททั้งสี่เราอยู่ได้ทำรรคือความบริสุทธิ์ใจล้วนๆพวกเทวดาทั้งหลายมีเพียงเจตนาที่เป็นกุศลและคำสัตย์เท่านั้นยังไม่เป็นของอัจฉรย์เท่าที่ควรจะชมเชยส่วนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีทั้งความสัตย์ที่บริสุทธิ์ทำที่บริสุทธิ์และพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆโดยไม่มีสัตว์โลกแม้รายหนึ่งจะสามารถล่วงรู้ได้ ว่าเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐแสจรย์เพียงไรความสัตว์ที่เทวดาทั้งหลายยึดถือกันอยู่ประจํานิสัยนั้นเป็นเพียงความสัตว์ที่อยู่ในข่ายแห่งสมมุติซึ่งใครๆก็พอทราบและรักษากันได้ไม่สุดวิสัยส่วนความสัตด์ธรรมพระทยัยและใจที่บริสุทธิ์อันเป็นสมบัติของพระองค์และพระสาวกโดยเฉพาะนั้นไม่มีใครสามารถรู้และรักษาได้ถ้ายังไม่ก้าเข้าถึงภูมินั้นก่อนส่วนอัตมาจะมีภูมิความสัตด์ ฉันมีมุติธรรมเพียงไรหรือไม่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมาอวดอ้างกันแต่โปรดทราบเพียงว่าศีลสาัตี่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้ไม่ใช่ศีลสัตติวิเศษเหมือนของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านว่าให้พวกเทวดาขนาดนี้ถ้าเป็นมนุษย์เราน่ากลัวจะเกิดความอับอายหรืออะไรอะไรก็ยากจะเดาได้แต่ทราบว่าเทวดาทั้งหลายยินดีฟังธรรมท่านด้วยความสนใจจดจอ่อ ได้เห็นโทษของตนที่ได้ลงเกินท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจากนั้นต่างทําความระมัดระวังด้วย จ, จิตใจยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ได้คิดถือโกรธถือโทษในท่านเลยแม้แต่น้อยท่านว่าหน้าชมเชยเป็นอย่างยิ่งสมเขาเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริงๆดังนี้ที่ยกตัวอย่างมาพยงย่อยๆนี้พอเป็นแนวแห่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อถ้ามีผู้รู้เห็นด้วยสิ่งนั้นนั้นก็มิได้ลึกลับเสมอไป เช่นเดียวกับธรรมมาพิสมัยถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้า พ, พระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตามได้ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับแม่สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกันผู้ที่เห็นจำนวนมากน้อยเหล่านั้นไม่ถือเป็นของลึกลับแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นจํานวนเท่าไร ก, ก็ยังเป็นของลึกลับสําหรับคนจำนวนนั้นสิ่งลึกลับทางภายในที่เคยเด่นในครั้งพุทธกาล มีพระเจ้าและสาวกเป็นผู้ได้เห็นได้ชมและสิ่งลึกลับทางภายนอกก็มีพระธเจ้าและสาวกผู้มีนิสัยในทางนั้นได้เห็นได้ชมเท่านั้นมิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นส่วนคนในครั้งพุธการณาที่ไม่สามารถอ่านรู้เห็นได้อย่างมากก็เพียงได้ยินคําบอกเล่าแล้วนํามาพิจารณาพอให้เกิดผลเป็นความเชื่อตามและเกิดความสุขใจทั้งที่ตนยังไม่ได้รู้เห็นและพอให้เกิดผล ไม่เชื่อว่ามีว่าเป็นได้กลายเป็นความขัดข้องแกตัวอยู่เพียงเท่านั้นคงไม่มีส่วนตามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านผู้ได้ชมอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจแม้สมัยนี้ก็คงเป็นธรรนองเดียวกันสิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้เฉพาะที่ควรแก่วิสัยเท่านั้นผู้ไม่สามารถก็คงได้ยินแต่คําบอกเล่าแม้จะเชื่อตามหรือจะไม่เชื่อตลอดการคัดค้านก็คงไม่มีเหตุผลมายืนยันเหมือนด้านวัตถุ ผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนผู้คิดอยากจะคัดค้านแต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเฉยๆจึงยอมหมกตัวนิ่งอยู่และเขียนประวัติท่านอาจารย์มั่นด้วยความบอกเล่าจากท่านและจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆแบบเห็นตรงไม่มีความแยบคายภายในตัวบ้างเลยแต่ความเชื่อเรื่อมสายในองค์ท่านอาจารย์มั่นนั้นยอมรับว่ามีมากเต็มหัวใจถ้ามีท่านผู้เคารพเชื่อถือได้มาพูดอะไรเป็นความจริงตามที่พูดมาบอกว่า ให้ท่านตายแทนท่านอาจารย์มั่นเสียแล้วจะอาราธนาในมนต์ท่านอาจารย์มั่นที่มรณะภาพไปแล้วกลับมาสั่งสอนโลกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายอย่างท่านนี้อยู่ไปทําไมทําประโยชน์แก่โลกก็ไม่ได้เพราะความโง่เขลาตัวเดียวนี้เองที่เด่นที่สุดสําหรับท่านท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยนท่านอาจารย์มั่นกลับมาสั่งสอนโลกไหมเพียงเท่านี้ผู้เขียนจะถามเอาความจริงทันทีว่าท่านอาจารย์มั่นจะฟื้นกลับมา ถ้าผมตายแทนท่านแล้วจริงหรือถ้าท่านคนั้นตอบเป็นความจริงว่าจริงเท่านี้จะรับทันทีจะรีบให้จัดการเพื่อตายในเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องขอรอเวลาแม้วินาทีหนึ่งเลยเพราะคิดหนักใจกับความโง่ของตนอยู่มากตลอดมาแม้ไม่มีใครมาบอกให้ตายแทนท่านอาจารย์มั่นทั้งรู้สึกเสียใจขณะที่เขียนประวัติท่านว่าตนโง่ามากแม้ท่านเมตตาเล่าอะไรฟังทุกแง่ทุกมุมก็จะไม่ได้เท่าที่ควรปล่อยให้หลุดหายไปเสียมากต่อมา เพราะ พ, พาชนะรับไม่ดีที่ได้มาเขียนบ้างนี้ต้องขออภยัยถ้าเทียบกับสัตว์ก็คงเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงที่ไล่ไม่ยอมหนีนั่นแหละจึงยังตกค้างอยู่ในความจำพอได้มาลงให้ท่านผู้อ่านคันฟันไปด้วยเพราะอ่านไม่ถึงใจความลึกลับดังกล่าวมาในสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้รื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นขวัญใจบ้างสาหรับผู้ได้ยินจากท่านเมตตาทั้งภายในและภายนอก แต่ผู้รู้ตามท่านบ้างในความลี้ลับทั้งสองนี้รู้สึกมีน้อยมากแทบไม่มีประหนึ่งท่านปฏิบัติเพื่อความตาดีใจสว่างเราปฏิบัติเพื่อความตาบอดใจมืดจึงไม่ยอมรู้เห็นอย่างท่านบ้างพอได้เขียนแทรกลงในประวัติท่านแม้ไม่มากนี้เป็นความจนใจของผู้เขียนเองไม่ได้สนใจบรรดาความรู้ความเห็นต่างๆ ท, ที่ท่านแสดงให้ฟังอย่างฉะฉานเท่าที่สังเกตดูลูกศิษย์ที่พอรู้เห็นตามท่านได้บ้างทั้งภายในภายนอก ไม่ปรากฏว่ามีรายใดคัดค้านท่านเลยแต่กลับเป็นพยานแก่คละกันในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดีอีกด้วยพอแสดงให้ผู้ไม่รู้ไม่เห็นมีเงื่อนพิจารณาว่าอาจมีมูลความจริงในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นนั้นๆได้เช่นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมและทรงรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นพระองค์แรกแล้วมีพระสาวกรู้เห็นตามและกลายเป็นพยานของกละกันฉะนั้น เรื่องที่ท่านอาจารย์มั่นรู้เห็นทางภายในภายนอกในสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นของลี้ลับเสมอไปเมื่อยังมีผู้รู้เห็นตามท่านอยู่แม้ไม่มากไกลยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนน่าสงสัยเช่นพวกเราคือเมื่อท่านพักอยู่วัดบ้านหนองผือน า, นาในมีอุบาสิกานุ่งขาวคมขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสท่านมา มาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะแกนั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏแต่ความสงบนิ่งดูเฉพาะในเวลานั้นทําให้แกเห็นกระแสจิตอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายใหญยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยจิ้นตามดูว่ากระแสจิตนี้มันขโมยส่งออกไปแต่เมื่อไหร่ ส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไรพอแกตามกระแสะจิตอันละเอียดนั้นไปก็ทราบชัดในขณะนั้นว่ากระแสะจิตแกเริ่มไปจับจองที่เกิดเอาไว้ในท้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันทั้งที่ตัวแกยังไม่ตายพอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจเลยต้องย้อนจิตกลับขึ้นมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิแกใจไม่ดีเลยตั้งแต่ขณะนั้นมาและในระยะเดียวกัน หานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครนมาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัดเล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟังหลังที่กล่าวมาขณะนั้นผู้เขียงกับพระใ น, นหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยต่างองค์ต่างงงไปตามๆกันขณะที่เดีฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินใน้ฟังมาก่อนเฉพาะผู้เขียนสนใจอ ย, อยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างกระหายว่าท่านอาจารย์ท่านจะอธิบายไปในแง่ใดบ้าง ให้หญิงแก่คนนั้นฟังขณะนั้นทุกคนนั่งนิ่งเงียบเราก็ไม่หายใจในตาต่างชำเลืองดูท่านอาจารย์ด้วยความกระหายอยากฟังในเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นท่านอาจารย์เองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราวสองนาทีแล้วจึงอธิบายทําให้แก่ยวงแก่คนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดีให้เห็นกระแสนั่นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้น ให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงสักแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหล้านสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงจำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสนั้นไม่ขาด เวลายมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวนแน่ๆไม่สงสัยพอแก่ได้รับคําแนะนําจากท่านแล้วก็กลับบ้านล่าวสองวันแกกลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้าเย็มแย้มแจ่มใสามากแม้คนไม่มียานยังทราบได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมประสงค์แล้วพอแกนั่งลงเท่านั้นท่านอาจารย์ก็ถามบป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นอย่างไรห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะ่ะ แกเรียนต่อท่านทันทีเลยว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกคือพอจิตรวมสงบรงสนิทแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลยคืนนี้โยมกำหนดโดยอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจว่า น, นี้จึงยังไม่ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีกหายเงียบไปเลยวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟังท่านเริ่มประโยคแรกว่า นี่แหละความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้โยงเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับสายไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็อแท้งระยะเดียวกันอยู่มาไม่นานนะักปัญหาเกี่ยวกับการไปเกิดทั้งที่เจ้าของยังไม่ตาย และปัญหาเกี่ยวกับการแท้งบุญก็เกิดขึ้นในวงคณะสงฆ์ด้วยกันเพราะคนอื่นไม่มีใครทราบตัวหายแกก็ไม่เคยบอกเรื่องแกให้ใครทราบเก็บมาเล่าถวายเฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียวแต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็พลอยได้ทราบเรื่องของแกอย่างละเอียดทุกแขนงไปฉะนั้นปัญหานี้จึงเกิดขึ้นในวัดหนองผือโดยพระสงฆ์นําปัญหาทั้งสองข้อนี้ขึ้นเรียนถามท่านอาจารย์ในปัญหาแรกว่า คนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้วท่านก็ตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นะยังไม่ได้ไปเกิดแม้กิจอื่นๆก็ยังมีทางเริ่มได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำนี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดจึงยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก่คาว่าคนยังไม่ตายแต่ไปเกิดแล้วถ้าแกไม่ถ้าแกรู้ไม่ทันก็มีหวังไปตั้งบ้านเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่แน ปัญหาที่สองว่าการตัดกระแสจิตที่กําลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายแก่กับหญิงคนนั้นไม่เป็นการทบานชีวิตมนุษย์หรืออย่างไรท่านตอบว่าจะทําลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตนเป็นตัวแล้วจิตแท้ยังอยู่กับยายแก่ส่วนกระแสจิตแก่ส่งประยุทธ์ไว้ที่หลานสาวพอแก่รู้ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสีย ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นที่สําคัญก็ตอนที่ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่ากระแสจิตตนขโมยไปจับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านอาจารย์เองก็ไม่ได้คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริงไม่ถูกควรพิจารณาเสียใหม่แต่กลับตอบไปตามร่องรอยที่ยายแก่รู้เห็นจึงเป็นเรื่องน่าคิดอยู่มากเมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว ก็มีสาเหตุที่พาให้จิตส่งไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาวได้คือยายแกเล่าว่าแก ร, กรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกเขาอีกถ้ามไม่ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนท่านอาจารย์มั่นว่า จิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่ยาะแก่พูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแกไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยทางเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทาสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อได้แล้ว สติปัญญายิ่งมีความสําคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาชวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอ า, เอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในพบภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องสวยกรรมในกําหนดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัวได้ อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและสวยที่ผสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาแต่บุคเลชาติทําให้เพิ่มอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภานขึ้นโดยลําดับจนจิตมีกําลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาว จากยาไปหาละเอียดจากปัจจักไปเป็นวิวัตจกักดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องสวยว่าเป็นลาดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเ ป, ปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตที่ได้รับการอบรมไปทุกอบทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลําดับทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เหลืกการต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆที่เขียนวกไปเวียนมาทั้งที่พยายามจนสุดกำลังแต่ความหลงลืมรู้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ยุ่งหยิบหน้าใส่หลังหยิบหลังใส่หน้าไม่รู้จักจบสิ้นหลงได้ท้งนี้เรื่องท่านผ่านไปไกลจนแทบพูดได้ว่าเกือบจบแล้ว ผู้เขียนก็ยังเก็บไม่หมดเพราะความหลงลืมตัวเดียวเท่านั้นพาให้วุ่นไม่เลิกแล้วไปได้อ่านต่อไปท่านก็ยังจะได้เห็นความเหลีวไหลของมูเขียนไปตลอดสายเกี่ยวกับเรื่องสับสนระคนกันไม่เรียงลําดับไปตามแถวตามแนวที่ควรจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นาคิด ก, ก็คือที่วัดหนองเผินนั่นเองเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านออกจากที่ภาวนาแล้วออกมาจากห้องท่านถามขึ้นมาเลยโดยไม่มีใครเริ่มเรื่องไว้ก่อนว่า พากันไปดูซิที่ใต้ถุนกุฎีเราเห็นรอยงูใหญ่ออกไปจากที่ไ่นหรือเปล่าคืนนี้พญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้พระเนนดูกันตอนเช้าบ้างพระก็บ่งตอบท่านว่ามีรอยงูตัวใหญ่มากซึ่งออกจากใต้ถุนท่านอาจารย์เข้าไปในปานน่าโนงงูตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ที่อื่นรอยไม่ปรากฏแต่มาปรากฏเอาตรงใต้ถุนนี้เท่านั้นลานวัดเนเตียน รอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลยมามีเฉพาะที่ถุนนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มี